ถามการอนุโมทนาบุญกับการยินดีที่ผู้อื่นได้ดีเนี่ยใช่อันเดียวกันหรือเปล่าครับถ้าไม่ใช่จะมีผลแตกต่างกันอย่างไรตอบการยินดีที่ผู้อื่นได้ดีนั้นเรียกว่าเรามีมุทิตาจิตครับผลโดยตรงคือกําจัดความอิจฉาริษยา เมูทิตากับริษยาเป็นปฏิปักษ์ต่อกันใครมีมูทิตาจิตมากกว่าความริษยาผลจะทําให้เป็นผู้ห่างจากวงจรแห่งภัยเวรมีโทสะน้อยใครเห็นแล้วจะอยากช่วยเหลือเกื้อกูลมากกว่าอยากแข่งดีด้วยนอกจากนั้นผลในระยะยาวเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะเป็นผู้อยู่ในตระกูลสูงไม่เป็นที่ดูถูกของใครๆ กับทั้งจะมีส่วนช่วยเสริมให้ผิวพรรณปุดผ่องได้ส่วนการอนุโมทนาบุญ น, นั้นหากทำบ่อยแล้วในระยะใกล้จะทำให้เป็นผู้มีปีติง่ายในระยะยาวหากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกจะทำให้เป็นผู้มีศรัทธาเป็นกำลังในเรื่องของการมีศรัทธาเป็นกำลังนี้อย่าคิดว่าไม่สำคัญเพราะการที่เราจะมีใจโน้มน้อมไปในบุญกุศล และเห็นถูกเห็นชอบตามหลักกรรมวิบากนั้นไม่ใช่ด้วยอาศัยปัญญาเป็นตัวเหนี่ยวนำได้ทันทีอย่างน้อยใจต้องมีความอ่อนน้อมพอจะรับกระแสกุศลและปฏิเสธกระแสะอกุศลซะก่อนแต่ศรัทธาที่ขาดปัญญาก็อาจตรงคนข้างเคียงคือถ้ายินดีกับการได้ดีของใครใไปหมด โดยไม่พิจารณาเลยว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษเช่นเห็นเขาร่ำรวยเพราะการค้ายาเสพติดหรือเห็นเขาเป็นฮีโร่จากการตกปลาเก่งก็ช่วยกันเฮกับเขาอย่างเนี้ยจะส่งผลให้จิตค่อยๆ ค, คล้อยไปในทางศรัทธาแบบขาดสติพิจารณาเสียก่อนว่าอะไรควรอะไรไม่ควรใครน่าเชื่อหรือใครน่าระวังพูดง่ายๆคือ ถูกหลอกให้เข้าไปมีร่วมในวงจรอุบาทได้โดยสะดวกนั่นเองครับส่วนศรัทธาที่ปราเป็นความงม ง, งายได้ง่ายนั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากการอนุโมทนาบุญโดยขาดหลักพิจารณาวิธีทำบุญเช่นบางคนเชื่อว่าเอาหนังสือโป้ถวายพระแล้วจะได้บุญได้นางบําเรอเยอะๆอย่างนี้ขืนใครหัวอ่อนเห็นดีเห็นงามตามกัน หรือเผลออนุโมทนาแบบไม่ทันคิดก็ถือว่ามีเอี่ยวได้รับผลพวงจากการอนุโมทนานั้นเป็นการปรุงแต่งจิตให้เชื่อคนง่ายแต่ถ้ามีสติยังคิดว่าพระต้องสละราคะเอาหนังสือโป้ไปถวายก็เท่ากับเร่งให้ท่านผ้าเหลืองร้อนอยากศึกไวๆแล้วขัดข้านการทำบุญแบบมิจฉาทิฏฐินั้นอันนี้คุณจะเป็นผู้มีหลักตั้ง มีปัญญาในการศรัทธาเราก็ไม่ต้องกลัวจะเป็นบาปจากการขวางบุญผิดผิดของคนอื่นนะครับนอกจากไม่บาปแล้วยังได้บุญมากด้วยถ้าถามว่าจะอนุโมทนาถูกตัวบุญของดีของแท้ได้อย่างไรอันนี้ก็ต้องมาพูดถึงความเข้าใจในพื้นฐานหลักการที่ถูกที่ควรแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ให้เข้าใจง่ายๆครับทาอะไรแล้วเบียดเบียนผู้อื่น หรือเป็นความเดือดร้อนแก่คนอื่นและตนเองในภายหลังอย่างนั้นเป็นบาปไม่ใช่บุญอย่าไปอนุมโมทนาเป็นอันขาดแต่หากทำสิ่งใดแล้วเกื้อกูลให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นและตนเองในภายหลังอย่างนั้นเป็นบุญไม่ใช่บาปถ้ามีโอกาสอนุมโมทนาได้ก็อนุมโมทนาสาธุกับขา้าซะ ถามถ้าอนุโมทนาบุญไม่ออกใจแห้งหรือน้ำซ้ำหนักกว่านั้นคือแม้ทำบุญด้วยตัวเองก็ไม่เนคยินดีไม่มีความสุขสมนัดซึ่งรู้มาว่าใจจะไม่เป็นบุญเต็มที่ไม่เกิดพัฒนาการทางจิตอย่างนี้ควรทำอย่างไรดีครับตอบมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้จักกุศลและมีกุศลเป็นทุนเดิม กับทางมีสัญชาตญาณทราบได้ด้วยตนเองว่าของเก่ามีอยู่ประมาณใดนี่เป็นความจริงหากยังไม่อบรมตนเองให้พิจารณาโดยแยบคายเมื่อเห็นคนอื่นทำบุญที่เรารู้สึกว่าด้อยกว่าที่เราทำก็ยากที่จะเกิดใจเบ่งบานรับกระแสกุศลในบุญนั้นๆแต่หากอบรมตนเองไม่ไปมองตัวบุญว่าชั้นอ่อนหรือชั้นอองแต่มองด้วยใจนึกยินดีว่า มีคนเขารู้จักทำบุญรู้จักทำความสว่างให้ตนเองอย่างนี้ใจคุณจะพลิกไปในทันทีแม้เห็นเขาให้เสียสตางขอทานบาทเดียวคุณก็ปลื้มปีติราวกับเห็นเศรษฐีทำบุญสักล้านหนึ่งได้ในส่วนของการทำบุญด้วยตนเองถ้าทำทำไปแล้วใจแห้งลงเรื่อยๆก็ขอให้ทดลองทำเกินของเดิมหรือแปลกแตกต่างไปจากเดิมดู บางทีจิตเขาไม่ชอบอะไรจำเจครับเหมือนเห็นดอกไม้สวยสดใสในสวนจำนวนเท่าเดิมทุกวันถึงจุดหนึ่งก็เบื่อหน่ายแต่พอมีใครขนดอกไม้มาลงเพิ่มก็จะแปลกตาและเกิดความเบิกบานใหม่ๆขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในประโยชน์ของบุญที่ทำกับความรู้สึกทางใจว่าอยากช่วยเหลือผู้รับให้ได้ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นตรงนั้น ถ้าหมั่นน้อมระลึกไม่สักแต่ให้ให้ไปแบบไม่เข้าใจหรือไม่หวังประโยชน์เข้าเป็นที่ตั้งอย่างเนี้ยทำบุญถีบ่อยแค่ไหนก็มีใจเบิกบานกันไม่สิ้นสุดเรากลับเป็นงานอดิเรกชิ้นโปรดทีเดียวครับ